ท่านสาธารชนพุทธบริษัททั้งหลายสําหรับวันนี้ก็มาปรารถกันเรื่องพระบารมีสิคําว่าบา ร, รมีสิบนั้นท่านใช้เป็นสามสิบรายการก็เพราะว่าจัดเป็นสามชั้นด้วยกันคูปะบา ร, รมีหนึ่งบา ร, รมีต้นเรียกว่าบา ร, รมีเฉยๆหนึ่งบรรมีขั้นรองลงมาเรียกว่าปะบา ร, รมี บรมีขั้นสุดท้ายได้บารมัทธบารมีสำหรับบารมีทั้งสิบนี้ก็มีหนึ่งทานบารมีสองสินบารมีสามเนคขมะบารมีแล้วก็สี่ปัญญาบารมีห้าวิริยบารมีหกขันติบารมีเจ็ดสัจจะบารมีแปดอธิฐานบารมี เก้าเมตตาบารมีสิบอุเบกขาบารมี <c oughs> บารมีทั้งสิบรายการนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้วทรงถือว่าเป็นความสำคัญมากเราจะเคยได้ยินได้ฟังอยู่เสมอว่าบุคคลใดมีบารมีเต็มแล้วบุคคลนั้นองค์สมเด็จพระประทีบแก้วทรงตรัส ว่าสามารถจะตากิเลสเป็นสมุเทเธตรประหานเพื่อเป็นพระอรหันต์ได้แล้วก็ไปนิพพานได้ฉะนั้นบารมีเท่าสิบประการนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บรรดาพิสุสมณเณรไม่ว่าญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงจะต้องปฏิบัติให้ได้ถ้าเราทำไม่ได้เราก็ไม่พ้นทุก ถ้าทำได้พ้นทุกข์แต่ก่อนที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายและเพื่อนพิสูจ น, น์สมณนจะปฏิบัติบารมีสิบริยฟังบารมีสิบในตอนแรกจริงๆเขามัรนดาทุกท่านตั้งใจปิดทางอวัยภูมิไม่ก่อนใ <c oughs> นความหมายความว่าเราจะทำดีแค่ไหนก็ตาม หากว่าเราไม่ยับยั้งอบายภูมิเสีย ก, ก่อนดีไม่ดีเผลอลงอบายภูมิไปอบายภูมิน่ะมีสี่คือหนึ่งนรกสองเปรตสามมสุรกายสี่สัตติฉานเราจะต้องไม่ไปสู่สำนักทั้งสี่สำนักนี้ต่อไปการที่จะไม่ไปสู่สำนักทั้งสี่สำนักนี้ได้ก็ต้องหนึ่ง มีความรู้สึกว่าเสมอว่าชีวิตนี้มันต้องตายต <c oughs> <c oughs> ามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงยังไงยังไงเราเกิดมาชาตินี้ก็ตายแน่การตายนี่ก็เหมือนกันขอทุกท่านจงอย่าคิดว่าแกจริงจะตาย ชีวิตของคนไม่แน่นักเด็กเล็กที่เกิดที่หลังเราเป็นคนชั้นลูกชั้นหลานตายก่อนเราทั้งเยอะและรงคิดไว้เสมอว่าความตายอาจจะมาถึงเราในวันนี้ไม่ใช่วันพรุ่งนี้แล้วก็เตรียมตัวปิดอมายภูไม่ก่อน <c oughs> จดดุดที่ปิดจริงๆอันดับแรกยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยปัญญา พิจรารณาเสียก่อนว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคําคสั่งสอนขอสมเด็จพระสัมมาทัต พ, พุทธเจ้าก็ดีอพระอริยสงฆ์คำไม่ใช้ว่าพระอริยสงฆ์นี่ก็เพราะว่าท่านที่ไม่ใช่พระอริยะไว้ใจยาก <c oughs> บางทีก็ปฏิบัตินอกรีธินอกรอยเราถือเอาพระอริยะเป็นสําคัญ พระอริยะนี่ท่านดีพอที่จะยอมรับนับถือไหมพระธรรมและพระพุทธเจ้าควรจะนับถือหมใช้ปัญญาเห็นว่าดีได้ยอมรับนับถือด้วยความจริงใจอน <c oughs> ก่อนการยอมรับนับถือก็หมายว่าปฏิบัติตามคําแนะนําของท่านมีผลตามที่ท่านต้องการหลังจากนั้นควบคุมศินให้บริสุทธิ์ สำหรับครวัตมีความสำคัญที่ศีลห้าเพราะว่าศีลห้าี้เป็นศีลของพระโสดาบาันและสกิทาคามี <c oughs> ถ้าคุมศีลห้าทรงตัวเฉพาะครวาตแต่พระเนต้องเป็นศีลประจำประจาเพศของท่านอย่าปฏิบัติเท่าครวาตไม่ได้ถ้าปฏิบัติถ้าครวาตก็มีหวังลงอบายภูมิไปแน่ จุดที่เราจะพึงไปกันสำหรับพระนเนก็คือเวจีมหานรกเป็นกลุ่มแรกหลังจากนั้นเราจะไปอีกถ้าหนักไปก็ไปโลกันตนนรกเป็นการไม่สมควรเมื่อมีสินบริสุทธิ์แล้วก็ตั้งใจไว้เสมอว่ า, ม, วามนุษสโลกก็ดีทเทวลโลกก็ดีพรมโลกก็ดีไม่เป็นดินแดนสาหรับเต่าที่จะไป มนุสเซโลกเกิดฐานะอะไรก็ตามมีแต่ความทุกข์เกิดแล้วก็แก่แล้วก็ป่วยแล้วก็ตายมีความปรารถนาไม่สมหวังเทวโลกกับพรมโลกมีความสุขจริงแต่ว่าสุขไม่นานไม่เที่ยงแท้แน่นอนหมดบุญวัสนาบารมีก็ลงมาอีกจุดที่เราต้องการคือนิพพานนิพพานมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ แล้วก็อยู่อย่างยืนไม่เคลื่อนต่อไปอีกความหนักใจนิดหนึ่งไม่มีนนิพพานไม่ได้ความเยือกยิน <c oughs> อาการอย่างนี้ขอทุกท่านต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนทำให้ได้จะได้ปิดอัมบายภูมิบากเก่าๆมีเท่าไหร่ไม่สามารถจะลงโทษเราได้ตอนนี้ไปเราก็มาเริ่มศึกษาเรื่องบารมีกัน สำหรับบารมีนี่มีสิบท่งขึ้นต้นด้วยทานบารมีแต่การจะประพฤติทานได้จริงๆบรรดาเพื่อนพิสูจ น, น์สมณเณและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทชายหญิงต้องเป็นคนมีปัญญาถ้าคนที่ไร้ปัญญาให้ทานไม่ได้คนที่มีทรัพย์สินสะสมไว้มากแสนมากแต่ไร้การให้ทานย่อมเป็นโทษกับตัวเอง มีทรัพย์กี่หมื่นล้านก็ตามแต่หาว่าเราไม่ทานเราก็เป็นคนโดดเดี่ยวอันตรายจะมีกับเราเมื่อใดก็ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนทุกคนเขาไม่ชอบหน้าเราเราเป็นคนดินหนีแน่นเหนียวโดยการหนึ่งและโดยการที่สองถ้าเราให้ทานไม่ได้ก็หมายถึงว่าเรามีความโลภ พการให้ทานนี้เป็นปัจจัยตัดความโลภให้คําว่าความโลภในที่นี้ยอย่างหยาบก็คืออยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมาโดยไม่ชอบทำเช่นโกงเขาบ้างแย่งชิงวิ่งราวบ้างแล้วก็ทําต่างๆที่จะเพิงทําได้ลักขโมยเขาบ้างอย่างนี้เป็นตน้นใหการอย่างนี้แปลการเป่งการสร้างศัตรู ดันั้นสมเด็จพระบรมครูจึงทรงตรัสว่าทวังความสุขจริงๆก็ต้องมีการให้ทานสําหรับการให้ทานนี้ก็ต้องเลือกเหมือนกันเพราะการให้ทานเนี่ยมันก็มีว่าเหมือนกับเราเจะหวานพืชตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้รับทานนั้นถือว่าเป็นเนื้อนาบุญ อย่างพระสงฆ์ก็ดีสมัมเองก็ดีถือว่าเป็นเนื้อนาบุญแต่ก็ดูก่อนเนื้อนาที่เราเห็นเป็นเนื้อนาที่เราจะหว่านพืชเป็นเนื้อนาบุญือวาเนื้อนาบาปโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งล้วเจาะจงพระก่อนพระก็ดีเนองก็ดี ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคําแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เราก็ต้องดูต้องใช้ปัญญา <c oughs> ไม่ใช่ว่าปัญญาบา ร, รมีไปอยู่ในข้อสี่แล้วเราเลยไม่ใช้ต้องใช้ปัญญาบา ร, รมีนี่ถือว่าเป็นธงชัยนําหน้าเหมือนกับในมรรคแปดแท่นขึ้นสัมมาทิฏฐิคอนสัมมาทิฏฐินี่เป็นตัวปัญญา นี่เราก็มาพิจรารณากันต่อไปว่าพระสงฆ์ประเภทไหนที่เราควรจะยอมรับนับถือแล้วก็ควรจะถวายทานอันดับแรกที่สุดจะสังเกตพระสงฆ์ทั้งหมดจะต้องมีจิตมีกำลังเหนือนิวรห้าน่ก็หมายความว่าถ้าเป็นพระปุถุชนก็ดีเป็นพระที่ทรงฌานสมาบัติก็ดี ก็ยังอยู่ภายใต้อำนาจของนิวรณ์นิวนยังครอบงาจิตได้สำหรับสาหรับท่านที่ทรงฌานสมาบัติบางครั้งถ้าท่านจิตเท่นพลาดจากฌานลืมคุมฌาน <c oughs> <c oughs> เวลานั้นก็หมายความนั่นว่านิวรณนครอบงาจิตแน่ทั้งแบบพระที่มได้ฌานสมาบัติที่มีศีลบริสุทธ์ก็เช่นกัน บางครั้งนิวรก็ครอบงาจิตได้แต่ว่าก็ยังเป็นเนื้อนาบุญที่ควรจะให้การส่งเคราะห์ควรจะมอบวัตถุทานให้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะยังมีความดีอยู่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพระองค์ใดเป็นพระอริยเจ้าสำหรับพระอริยเจ้าี่เราสังเกตกันยาก ว่าคนเราติดอุปาทานสิ ม, มากมีนักราชช่วยๆเยอะที่บอกว่าหนึ่งพระอาหารหันต้องไม่โหเราะสองพระอาหารหันต้องไม่โสบุรีไม่กินมากความจริงความเข้าใจอย่างนี้ผิดแม้แต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่าจา้าวก็ยังทรงหัวเราะ ที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงโหระนานๆจะมีการแย้พระโอษฐ์สักทีหนึ่งการแย้พระโอษฐ์น้อยๆ น, นะมันเป็นเฉพาะเวลาพิเศษนั่นก็คือเมื่อองค์สมเด็จพระบรมมลกษิษเห็นความสำคัญเกิดขึ้นอยู่เฉยๆไม่ได้พูดกับใครแล้วก็ไม่ได้หันหน้าไปหาใครทรงแย้พระโอษฐ์กินเฉยๆ ทันหมายถึงความสําคัญจะเกิดขึ้นถ้าพระอนนทถามว่าทรงแย้มประโอรสเพราะอะไรก็อย่าทรงจัดถึงความสําคัญที่ทรงแย้มประโอรสนี่เป็นอนวุวาพระพุทธเจ้าก็ทรงยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนคนธรรมดาธรรมดาคําว่าเหมือนธรรมดาก็หมว่าเราหัวเราะได้ทา่านก็หัเราะเรายิ้มกันได้ทา่านก็ยิ้มตัวอย่าง ในสมัยหนึ่งเมื่อท่านโกมาราพัมาที่เมืองอามาที่เมืองทวาราวดีเวลานั้นเขายังไม่พูดว่าประเทศไทยยังไม่เรียกประเทศไทยมันเป็นเมืองย่อมๆเมืองย่อมๆเป็นจุดๆท่านมาทวาราวดีสองปีกลับไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจินสศี ก็กราบภูนให้ทรงทราบว่าชาวเมืองทวาราวดีเนี่ยพูดเพราะมากใช้ภาษาโดดคือภาษาคำเดียวแล้วก็พูดไปเราะไม่พื้ปราดพื้ปรัดเหมือนแขกตัวอย่างเช่นคำว่าไปไปนี่เราใช้คำว่าไปเฉยๆแต่ว่าภาษามคตรหรือภาษาแขกเรียกคันตวาบ้างคัจจติบัง ของเขารายคำอย่างคำว่ากินเราเรียกว่ากินแต่ว่าเขาเรียกว่าพลชติอย่างนี้เป็นต้นก็รวมความว่าของเขาใช้คํากลัวเราใช้คําโดดเมื่อท่านโกมาระพัฒกราบทูนพรพุทธเจ้าทรงทราบพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดถามว่าชาวททวตวารวดีเขาพูดยังไงลองพูดให้ฟังสับเบญก์ดิ ท่านโกม า, าภัสกพูดให้ฟังพระพุทธเจ้าก็ทรงพูดภาษาทวาราวดีคุยกันสนุกสนานคำว่าสนุกสนานในที่นี้นะถ้าพระพุทธเจ้าทรงทำหน้าตุมต้มๆแล้วมันไม่สนุกหรอกท่านก็ต้องมีการยิ้มแย้มแจ่มจใสนี่เราการหนึ่งจี่เห็นได้ว่าเวลานั้นขนาจา์มากพระพุทธศาสนาเกิดใหม่ หากว่าพระเจ้าทําหน้าขอะประธานาภัยนะเหมือนกับหน้าไม้ตีพริกคำว่าไม้ตีพริกนี่มันหน้ามันไม่เงยมันกม้มมันลงต่ําไม่แสดงที่อาการรื่นเริงอย่างนี้การประกาศพุทธศาสนาไม่ได้แน่นอนแพ้เขาพุทธศาสนาก็ไม่มาถึงเราไม่เป็นอันว่าพระเจ้าก็ทรงยินมแย้มแจ่มใส ฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายจำไว้ด้วยเพราะว่านักปรารถนจะมีเยอะและบริการที่สองการาดูพระการดูพระอริยะก็ดูยากก็ดูอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าพระที่เราควรจะให้ถึงไม่ใช่พระอริยะเป็นพระผู้ทรงสิงก็ดีเป็นผู้ทรงชัยก็ดีอย่างนี้ก็สังเกต ด, ดูว่าท่านพูด วาจาที่ท่านพูดก็ดีอาการทางกายที่ท่านทาก็ดีท่านฝ่าฝืนคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าตายแล้วเกิดเพราะว่าท่านผู้นั้นบอกว่าตายแล้วศูนย์ <c oughs> อย่างนี้แสดง ว, ว่าคัดค้านเป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้าแน่นอนไม่ใช่พระที่พระพุทธเจ้าทรงยอมรับนับถือ พระพุทธเจ้าทรงยืนยันในพระไตวปิดกมีวิมานวัตถุอยู่ถ้าจะพูดทั้งอย่างอื่นก็จะหายากในวิมานวัตถุพูดกันเฉพาะเรื่องเทวดาเรื่องพรหมโดยเฉพาะมีเรื่องราวมากเล่นเร้อเจ้าเรื่องไม่รู้ว่าเท่าไหร่เนี่ยแปนว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงยอมรับ ว่าเทวดามีพรหมมีสัตว์นรกเปรตอสุรกายมีนิพพานมีแต่ว่าท่านพุนในบดบอกว่าสัตว์นรกไม่นรกไม่มีเปรตอสุรกายไม่มีนิพพานไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมไม่มีท่านพูนนั่นก็หมายถึงว่าไม่ใช่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาถ้าอาผ้าเหลืองเข้ามาคลองก็สนแสดงว่าปลอมตัวเข้ามาทําลายพระพุทธศาสนา เหมือนกับสมัยเมื่อพระเจ้าสุนิพานไปแล้วไม่นานนักพวกพราหมณ์เข้ามาแทรกเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็เอารัฐธิของตัวเข้ามาแทรกแซงทั้งนี้เพื่อหวังผลประโยชน์ในการทำลายพระศาสนาให้สิ้นไปฉะนั้นขนา้าพนัญญาโญผพ้บริษัททั้งหลายถ้าจะบำเพ็ญทานนบารมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพระสงฆ์ธรรมนในในพระพุทธศาสนา <c oughs> ก็ต้องดูให้ดีท่านดีฝ่าฝืนคัดค้านคำสอนขององค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างท่านกะปิลา่าพิโคท่านตัวตัวของท่านเองก็ดีพาแม่แม่และน้องสาวด้วยลงอเวจีมหานรก ก็เพราะว่าคล้ายๆคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาทัมมุติเจ้าตามที่กล่าวมาพระพุทธเจ้าตรัอย่างนี้ท่านก็นพูดอย่างโน้น <c oughs> แต่ว่าลีลาของท่านจ ร, จริงๆเหมือนกับเคารพสมเด็จพระสัมมาทัมุตเจ้าดัการที่จะถวายทานแดดประสงจัดมาเป็นจุดสำคัญเป็นเนื้อนาบุญก็ต้องดูเนื้อนาที่เราจะเห็นสมควรไหม อย่างพระสงฆ์ผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ท่านผู้นี้เราทำบุญด้วยมีผลไม่มากนักแต่ก็มีผลสามารถให้เราไปสวรรค์ได้ถ้าจิตใจเราจับอยู่ในพระสงฆ์เป็นนิดเคารพพระองค์ใดองค์หนึ่งจับใจอารมใจจับถึงองค์นั้นอยู่เสมอเป็นปกติ อย่างนี้ถือว่าเป็นฌานในสังขานุสติกรรมฐ า, าน่อเมื่อจิตเป็นฌานในสังขารนสติกรมฐ า, านตายแล้วไปพินครมถ้าบังเอิญอารมณ์เราเห็นว่าท่านไม่นิยมในสังขารคือร่างกายไม่ติดในร่างกายไม่ติดในวัตถุเราพลอยไม่ติดไปเขาท่านด้วยเราก็ปณิพาน์ากับท่านเหมือนกัน จะถามว่าจะเพาะส่งสินเฉยๆจะบรรพานได้หรือถ้าอารมณ์ไม่ติดของท่านนั่นแหละมันจะตัดกิเลสไปทีละน้อยๆใ น, น, นที่สุดท่านก็หมดกิเลสท่านก็ไปนิพพานถ้าญาติโยมพุทธบริษัทคบพระเช่นนั้นถว า, ายทานกับพระเช่นนั้นมีอนิสงส์เลิศถึงไม่เลิศถึงที่สุดก็เลิศจะลืมว่าน้ําฝนตกมาทีละหยาดละยาด มันก็สามารถจะทำาภาชนะให้เต็มได้การบำเพ็ญกุศลกับพระผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ถึงแม้จะมีอันิสงส์ไม่เลย ก, ก็สามารถทำบา ร, รมีของเราเต็มได้คือทานบา ร, รมีการทำบุญพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้อย่างนี้คือให้ทานนะหนึ่งให้ทานกับคนที่ไม่มีศีลเลยร้อยครั้ง มีผลไม่เท่ากับคนที íamos, ่เคยมีสินแต่สินขาดไปแล้วหนึ่งครั Salt ้งหมายความยังมีความดีอยู TR ่บ้างให้ทายกับคนที่เคยมีสินแตะสินขาดร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับให้ทายกับท่านที่ส่งสินบริสิ์สุดครั้งหนึ่งให้ทายกับท่านที่มีสินบริสุทธิ์ร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับให้ทายกับท่านผู้ทรงฌานสมะ ท่านปฏิบัติเพื่อโสดาปิมัคค์หนึ่งครั้งคือผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาปิมัคค์จะหมายความว่าท่านที่ปฏิบัติกรรมาฐานแต่ยังไม่ถึงระโสดาปิมัคคจะเป็นชั่นไหนก็ตามอย่างน้อยที่สุดจิตของตัตดฑ์มีวรมีความเคารพในพระรัตนตรัยจริงๆทรงศีลบริสุทธิ์ก็เมริสงมากในการทห้ทานกับท่านที่มี ปฏิบัติเพื่ประสดาปฏิมร้อยครั้งมีผลไม่เท <Myth> ่ากับให้ทานกับประโสดาปฏิมักหนึ่งครั้งถวายทานกับประโสดาปฏิมร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานกับระสูตดาปฏิผลหนึ่งครั้งถวายทานกับประโสดาปฏิผลร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระสกิทาคามีมร์หนึ่งครั้งถวายทานกัพระสกิทาคามีมร์ร้อยครั้ง มีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระสกิทาคามีผลหนึ่งครั้งถวายทานกับพระสกิทาคมีผลร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระอนนาคามีมรรคหนึ่งครั้งถวายทานกับพระอนนาคามีมรรคร้อยครั้งมีผลก็ไม่ต่อไม่เท่ากับถวายทานกับพระอนนาคามีผลหนึ่งครั้งถวายทานกับพระอนาคามีผลร้อยครั้ง มีผลไม่เท่ากับถวายทานแก่พระอรหัตมรักหนึ่งครั้งถวายทานแก่พระอรหัตมรักร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานแกพระอรหัตผลหนึ่งครั้งงั้นถวายทานพระอรหัตผลร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานแด่พระปัจเจ้พระุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานแก่พระปัจเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานแด่สมเด็จพระสัมมาทัมมัสผู้เจ้าหนึ่งครั้ง แต่ไหวทานแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับต่ไหวสังฆทานหนึ่งครั้งต่ไหวสังฆทานร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับตะไวววิหารทานหนึ่งครั้งตามลำดับการาประเพณทานเป็นอย่างนี้อันนี้ถ้าหากว่าเราจะรู้ได้ยังไงองค์ไหนเป็นพระอริยเจา้าอันนี้รู้ยากเพราะว่าคนเราติด จริยามากกว่าอย่างอื่นเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าก็ดีผ้าหลันก็ดีไม่โหเราะต้องทำหน้าเป็นเป็นเป็นโหต่อหรือว่าทำหน้าทำปากเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นสากใช้เฉยหน้าบึงหน้าตูมอย่างนี้ก็เลยผิดความจริงถ้าเราไม่รู้อะไรมากไม่แน่ใจ ก็ดูจริยาภายนอกว่าน abroad, them, students, to to students, ่ารักภัยใต้จริยาภายนอกก็ต้องคิดเพราะเวลานี้คนที่สามารถทําปุบเพนิวาสานุติยานให้เกิดขึ้นได้ก็ดีได้อตติตังตก็ดีอัจยายังก็ดีอนนาคตังสยานก็ดีหรือว่าจุตูปปาตยานก็ดียานต่างๆนี้เวลานี้ฆราวาสได้กันมากนับแสน แต่อาจจะกล่งวันนั้นก็ได้ท่านลงไปเจอพระในนรกเยอะบางท่านบอกว่ารู้จักดีสมัยเมื่อมีชีวิตอยู่มีจริยาเรียบร้อยมากน่าเคารพน่าไวหวน่าบูชาแต่ถ้าไปถามความจริงว่าเพราะอะไรจึงลงอเวจีมหานรกบ้างเพราะอะไรจึงลงโลกกันบ้างก็บอกว่า พลาดพระวิ น, นัยคือใช้เงินของสงผิดพลาดบ้างเอาของสงเข้าบ้านบ้างแม้ใช้ของสงเงินที่เขาบวชไหวใช้ผิดพิธีบ้างเอาละบรรดาท่านพุทธบริษัท ว, วันนี้ก็คงไม่ได้อะไรมากตอน ต, อนตอน้นๆก็ว่ากันที่ดีลาคนที่รับทานเท่า น, นั้นก็พอเทปน้านี้ยังไม่พอยังต่อหน้าอื่นหน้านอื่นต่อไปฉะนั้ขอบรรดาพนพุทธบริษัททั้งหลายก่อนที่จะให้ทาน แต่หวังผลเพื่อเป็นปัจจัยพิภากษาน้องเลือกบุคคลผู้ให้ถ้าไม่สามารถจะให้ได้ยังไงให้ใจจริงใจก็จะต้องใช้เป็นวิธีถวายสงังฆฐานดีที่สุดสัญญาณบอกเวลาหมดผ่านไปแล้วขอยุติว่าจะเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี Oh mm.